ล้วกฏว่าทางนั้นก็ภาวนาดีขึ้นละดีขึ้นให้หลวงพ่อไปสอนที่ใหม่ๆนะั้นงที่ท้อทใจอย่างสาราลุงชินนะไปสอนทีแรกเนะี่ยรู้สึกสิ้นหวังยังไงก็ไม่รู้ส่วนมากผู้ภาวนานะติดสมถะติดเท่งเอาไว้จนซึมแก้ยากโดยเฉพาะไม่ได้อยากแก้ด้วยแต่ละคนนะ่ะคิดว่ามันดี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 เห็นไหมถ้าท่านสอนขัน5เนี่ยท่านจะสอนมีรูปอยู่หนึ่งมีนามอยู่สีท่านสอนเรื่องขัน5กับพวกที่ชอบดูนามธรรมนะดูจิตดูใจอะไรเนี่ยสอนขัน5นะสอนอายตนา 6, หนไห6ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางวัตถุมีใจเป็นนามธรรมอันเดียวอันนี้สำหรับพวกที่ชอบดูรูปธรรมนะสอนท่า18บแในท่า18นี่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 เขาเรียกว่าสาธารณกุศละไม่ใช่ปอเต็กตึงนะค <c oughs> ว่าสาธารณกุศลเนี่ยอยู่ในคำภีมานานแล้วคำภีอภิธรรมหมายถึงเป็นบุญเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องสติปัฏฐานไม่ใช่วิปัสนา<ะ>อันนี้มีทา ม, มาตลอดอย่างรือสีชีไพรเขาก็เข้าฌานได้<ะ>คนทั่วๆไปก็รักษาศีลทำทานไดนะ้นี่เป็นกุศลทั้งสิน้น<ะ>แต่กุศลพวกนี้มันเป็นกุศลเพื่ออยู่กับโลก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 คือพากันไปหมดเลยไม่มีใครต่อเลยใช่ไม่มีคนต่อเพราะงั้นหายากนะหายากอย่างศาสนาของเราเนี่ยถือว่าอายุยืนสืบช่วงมาได้นานแล้วแล้วก็พอดีซีดีเพิ่งไปฟังแผ่น19บเกครับก็ฟังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับเห็นวันที่ตัวเองมารายงานอุ้ยกระจัดกระจายรู้สึกว่าดูฟังแล้วฟังแล้วอายตัวเองอายก็รู้ว่าอายแล้วก็ For ์เวิร์ดไป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 พวกอินเดียคงชอบนะว่าที่ปูกขาดพระพุทธเจา้าท่านเกิดตรงนี้การนับส ก, การครับหลวงพ่อยกมื อ, อยังย ก, ยกแล้วครับผมอาว่าไปครับผมผมเพิง่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับผมกับจิตกิดเพ่งกับการรู้สติเนี่ยมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ